ไม่ใช่นะปฏิบัติทรรอันนั้นเหมือนคนเก็บกฎการเก็บกฎเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติคือการปล่อยวางแล้วก็ผ่อนคลายเห็นหมเวลาเรากรรมอะไรไว้เนี่ยมันเครียดแต่ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมือเราก็สบายสบายเพราะนั้นทําใจสบายๆให้รู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันความคิดไม่ปรุงแต่งความผ่อนคลายความเมบิกบานของจิตใจ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 เราจะเห็นสภาวะธรรมมากมายเลยสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นมากมายอย่าง เ, เช่นเรานั่งไปในรู้สึกปวดใช่ไหมปวดไหมขอบคุณนะที่มันปวดนะความปวดในผิดไหมผิดไหมไม่ผิดนะโอถูกต้องแล้วที่ร่างกายก็ทําหน้าที่ปวดโอถูกต้องแล้วทํำยังไงถ้าเราไม่อยากให้มันปวดนี่มันเป็นไปได้ไหมสภาวะธรรมก็จะแสดงตัวออกมา โอ้นี่ร่างกายแสดงสภาวะธรรมของความปวดทุกวเวทนาให้เราได้รู้นะเนี่ยคือสัจธรรมให้เรารู้แล้วก็รับรู้ในการอ๋อปวดเนาะปวดเนาะก็บริกรรมไปจะ ต, ต้องรู้สึกในความปวดด้วยวางใจเป็นกลางๆอย่าไปอยากให้มันหายวางใจเป็นกลางๆลงรู้เฉยเนี่ยเป็นตัวปัญญารู้เฉยแล้วก็เปลี่ยนอย่างมีสติไม่ผิดเปลี่ยนอย่างมีสติ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 ความฟุ้งซ่านก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะขยันนะคนไหนที่ขยันนั่นแหละเริ่มปฏิบัติเข้าทางนะคนที่ขยันพุทธองค์นี่บอกว่าคนมีสติย่อมขยันการปฏิบัติการมีสติแล่นมันก็จะขยันแต่ถ้าาไม่ขยันไม่เป็นไรนะทําท่าขยันไว้ก่อนทำท่าขยันขยันไว้ก่อนง่ายๆวิธีการเอาชนะความขี้เกียจนี่ง่ายมากเลยเปลี่ยนเป็นขยันซะความขี้เกียจมันก็หายไปแล้ว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 เธอคงไม่ตายเร็วหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบทาให้เราคิดว่าเอออนาคตไม่กลัวจนกลัวลําบากอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นแต่คนอื่นบอกเราอะไรย่างเงี้ยทําให้เราบางครั้งก็นึกอย่ามอว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องทําหากินนะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นคือต้องนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้ห้ามทำอาหากินพระเจ้าสอนให้ขยันหาให้มีความเพียร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 เป็นดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แสงมันนวลเย็นสบายดวงอาทิตย์มันร้อนดีไหมธรรมะผู้เจ้าตัดไว้ว่าผู้ที่ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผัวประพฤติธรรมโอ้ดีทั้งนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองพูริจาว่าไว้คนบางคนนะคะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทาชั่วตลอดเวลาแต่ก็ยังได้ดิได้ดี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 แต่ว่าผลอ า, อาจจะไม่ออกมาในตอนนั้นก็ได้บางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมแต่คิดเนี่ยมันดีแล้วเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่เรากรอดท่านดีไหมอาการกรอบแบบนี้ดีใช่แต่นี้อาจจะรำคาญถ้าต้องกรอบเราตอบได้หรือแต่เรากอดท่านเราดีแล้วกระทำดีแล้วใช่ไหมส่วนท่านจะกรอดตอบเราหรือไม่นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันดีอยู่แล้วในการกระทา เราคิดชั่วทำชั่วก็ดีอยู่แล้วในการกระทำส่วนผลนั้นบางทีต้องรอยกนหน่อยทำไมคนจริงทำดีแล้วจริงมีความทุกข์ทำไมคนจริงทำความชั่วแล้วจึงมีความสุขลอยนวลเราแน่ใจหรือแล้วเขามีความสุขอยู่เราแน่ใจหรือตลกที่แสดงหน้าเวทียิ่งแย้มแจ่มใสรู้เลยว่าเขามีความสุขจริงในใจอาจจะเป็นอะไรลึกๆ ก, ก็ได้คนเราเนี่ย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 เราจะไ ม, ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะดีเนี่ยไปยึดมั่นถึงมันทําดี อ, อดีเพื่อความดีไม่ใช่ทําดีเพื่อให้เราดีให้เราดีเมื่อไหร่แล้วก็คนนู้นจะต้องสรรเสริญเรานะเราต้องมีเงินมีท้องนะจึงจะดีเรามากักจะมองความชั่วในแง่ของความลําบากความทุกข์มองในแง่ความดีคือต้องได้เงินต้องได้คำตัดสินยินยออันนั้นเป็นเพียงมองแค่ภายนอก แต่ข้างในนั้นเราจะรู้ดีว่ า, ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเห็นไหมเวลาเราให้ใครเนี่ยเราสบายใจไหมสบายใจเห็นไหมเราจะบริจาคของสักอย่างแล้วเนี่ยมันนี่คิดให้ดีไหมเนอะไอ้นี่ก็มีประโยชน์เอาไว้ใช้ก่อนก็ดีกว่าแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยโอ้หมดเรื่องมดเวลาเป็นโอ้โล่งอกไปทงที่ได้ให้เขางั้ น, น, งนคิดอยู่นั่นแล้วอีกใจนึงก็ตนีอีกใจ น, นึง ก, ก็อยากให้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะวันหน้าได้ใช้จหายไปก็ดีมันเกะกะเลยก็ อ้นอนไม่หลับไอ้ัแต่ให้ไปแล้วเออโล่งไปทีโล่ง อ, อกลงใจไอ้แมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยพิสูจน์ได้ที่ใจเราเขากลับเรียนถามอาจารย์นะคะต่อยอดจากเมื่อสักครูน่นี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปัญญาเกิดถึงได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ถ้าในกรณีที่ทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแล้วอดรมน้นเนี่ยมันเกิดโทสะเมื่อโทสะเกิดมาแล้วเนี่ย มันจะทำในสิ่งรุ่มหลงและทำในสิ่งที่ไม่ดีคำถามก็คือถ้าในกรณีตรงนั้นมีวิธีการดับหรือ ว, วิธีการคิดยังไงก่อนที่จะรุ่มหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีค่ะมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาอย่างน้อยเราจะต้องให้รู้ทันนะให้มีสติรู้ทันก่อนรู้ทันเวลาเราคิดทาความดีนะเรารู้ละทาความดีแต่ถ้าเอมันไม่ได้ดี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 ถ้ามีสติเอาล้วว่าคนละครึ่งคนละห้าสิบห้าสิบถ้าสติมากความโกรธหายไปเลยหัวเลาะเหยาะความโกรธได้อ๋อไอ้แขกหน้าดําจงผ่านมาแล้วก็จงผ่านไปซะแขกหน้าดําถ้าเป็นความดีมาสติรู้ความดีก็ต้องรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันนี่เข้าอยู่ในความดีให้เราดีหนักคก็บหญ่ไรยึดมั่นถือมั่นไอ้แขกหน้าขาวอ๋อนี่มันก็ร้ายกาเหมือ น, น, นกันนะความมืดสีขาว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 ชั่วไม่ทำดีทำแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอาการติดดีจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามอะไร <c oughs> ยาวไปเลยนะต้องมีสตินะถ้ามีสติแล้วทุกอย่างนี่มันจะจบถ้าเกิดปัญญาจะปล่อยวางได้ยับยั้งชั่งใจจะต้องไม่เสียใจว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยขอเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาเราทานข้าวอย่างนี้นะคะ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 ใหม่ๆก็ไปอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะไวขึ้นเองแหละไอ้เรื่องตึงเนี่ยมันทํายากใช่ไหมแต่หย่อนเนี่ยมันง่ายมากไม่ต้องกลัวทําต่อไปแล้วต่อไปก็ค่อยๆดีขึ้นไวขึ้นไวขึ้ น, นสถิติจะดีขึ้นเรื่อยๆย <laughs> ไม่ต้องกลัวยังสองวันแรกที่มานะคะรู้สึกว่ามันตึงแล้วมันมวนในท้องอเก่งอยู่ไวยอยู่ในท้องนะคะมันอึดอัดมากเลยค่ะ เข้าใจเข้าใจออมาคืนก่อนพระอาจารย์บอกว่ามีใครเคยนับมังไหมว่าบันไดมีกี่ขั้นใจก็ยงกังคิดว่าโ อ, โอ้โหทำไมพระอาจารย์ถึงละเอียดจังเลยเนาะถนาดแค่เดินหนอนี่ก็ลาบากอยู่แล้วนะคะพอเราเดินมานี่เราก็เลลองดูว่าฝาหนึ่งหนอใาสองหนอฝาสามหนอพอถึงจะได้รู้ว่ามีเก้าขั้น <c oughs> <c oughs> นี่ลหละเขาเป็นแบบฝึกแบบฝึกเพื่อให้เรามีสติให้มีความรู้สึกตั ว, ตวเป็นแบบฝึกตอนแรกก็ยังฝืนงงทำไมาพระอาจารย์ละเอียดจัง <c oughs> เลยมันลำบากเหลือเกิ น, น <c oughs> เนาะอยางนี้สินี่เวลาทำเนี่ยอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าไปเครียด <c oughs> ทำเล่นๆสบายๆหนอก็หนอแบบสบายๆแบบผ่อนคลายเลยพระอาจารย์ไม่ตัดคะแนนหรอกไม่บาปไม่บาป เนี่ยเป็นแบบฝึกนีบางคนเนี่ยต้องฝึกมากๆเห็นไหมเวลาที่เราเขียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีเส้นไขปลาใช่ไหมค่อยๆเขียนนะต้องมีแบบให้ฝึกจะได้มีมุมมีอะไรสวยไงแล้วต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้แบบสติมาเกิดขึ้นเองไม่ผิดใช่ไมครัไม่ผิดหรอกอาจารย์ไม่หักคะแนนไม่บาปด้วยปกติแล้วเนี่ยเราคนขายของกลางคืนนะคะตอนเช้าจะต้องนอนถึงบ่ายเย็นถึงออกไปขายของ พอมาแล้วก็คิดกังวลมากเลยค่ะว่าเราจะทําได้เนาะทําได้ไหมเนา ะ, <laughs> ะต้องอาศัยกาแฟนะคะ <laughs> แล้วทําอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ละก็มันนั่งหาเนี่ฮะเอาไอเขาหาบ้า<ะ>งหนอบ้า <laughs> งหนอตลอดทั้งวันเลยะน้ําตาก็ไหลอย่านั้นแะนี่ล่ะก็แล้วได้อารมณ์นั่นแหละดีแล้วนั่นล่ะสภาวะทําทำกําลังเกิดขึ้นแต่ให้เรารู้ทันมันได้แต่ว่าเราก็หมดว่า ง่วงนง่วงหนอแต่ก็ไม่หายง่วงสักทีต้องไปกินกาแฟต่ออ่เนี่ยมันกลายเป็นกรรมฐานกาแฟไปอลรหันแคปซูลแล้วไม่ต้องหาตัวช่วยแล้วก็เปลี่ยนยาบทเจล้วลุกไปเดินไปล้างหน้าล้างตาอยาไปกลัวอย่าเป็นทุกข์กับมันแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราอย่าไปเอาจริงอดจังอย่าไปเพ่งยองเกินไปไม่ทําให้ทอมันปั่นป่วน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 เราให้ความสําคัญของเงินเราก็จะมีเวลาหาเงินมากมีโอทมากมายเพื่อการหาเงินเพราะเราให้ความสําคัญจะต้องมีเงินจึงจะมีความสุขทําไมเราจึงไม่เปลี่ยนไปให้เวลางการปฏิบัติธรรมบ้างให้ความสําคัญโอ้ปฏิบัติธรรมนี่มันพ้นทุกข์ได้มันแก้ปัญหาชีวิตได้ทําให้ชีวิตมีความสุขมากมีทุกข์น้อยถ้าเราให้ความสําคัญตองการปฏิบัติธรรมมากๆนี่เราจะมีโอทกับการปฏิบัติธรรมนะ ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ความสำคัญติดไหนมากสิ่งนั้นก็จะมีค่าตระหนักรามากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญสําคัญคือว่าเรารูไ้ไหมว่าปฏิบัติทแล้วได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความพ้นทุกข์ได้รู้จักแก้ปัญหาได้ช่วยเหลือคนอื่นคนเรามักจะอยากให้คนโน้นคนี่มาปฏิบัติอยากให้คนที่เรารักมาปฏิบัติแต่เราลืมไปว่าเราเองต่างหากที่ต้องปฏิบัติ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 เราต้องอธิษฐานว่านิพพานปจัจโยโหตกเพราะเป็นการตั้งมั่นว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุด ต, สสนนะตั้งมนงนออานบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสพาเราไปถึงนั้นได้นะตั้งมั่นสิ่งไหนบ่อยๆคืออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยทําให้จิตใจเราเนี่ยน้อมไปสู่ส่วนนั้นได้ง่ายเคยไหมที่บ้านเราเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยมันวางตรงเนี้ยมันเกะกะเหลือเกินเดินผ่านมาเกะกะเหลือเกินอีกไม่ช้าเก้าอี้นี้มันจะหายไปใช่ไหมเราก็ต้องเอามันออกไปอยู่ดีอะ ถ้าเราบอกโอ้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยองางบ่อยๆภาพนี้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอีกนานพอเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นในทางบวกเราอยากให้สิ่งไหนที่มีค่าตราหรับเราเนี่ยมองมองให้มากๆเราก็จะทำในสิ่งนั้นมากๆต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดฮิตของคนจีนนะคะเขาสงสัยว่าคนเล่นไพ่ตลอดเวลามีสมาธิหรือไม่เนี่ยหละคือสมาธิแต่มิจฉาสมาธิสมาธิไปเพื่อความหลง